สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรามาอยู่ถึงโค้งสุดท้ายของพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์แล้วนะครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่22ข้อที่41จนถึงข้อที่50ครับหนึ่งพงกษัตริย์บทที่22ข้อ41ถึงข้อที่50โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าเยโฮชาฟัส โอรสของอาสาขึ้นครองราชในยูดาตรงกับปีที่สของราชการกษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลเยโฮชาฟัตมีประชชนมายุ 35,000 สารษาเมื่อขึ้นครองราชและทรงปกครองในกรุงเยอรมัมอยู่ย5่ปีราชมารดาคืออาชูบาทิดาของชิริเยโฮชาฟัตรทรงดำเนินตามแบบอย่างของอาสา ราชบิดาทุกประการโดยไม่หันเหทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ได้ทรงทำลายสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายประชากรจึงยังคงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่นเยโฮชาฟัดได้ทรงมีสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์อิสราเอลด้วยเหตุการณ์อื่นๆในราชการเยโฮชาฟัดพระราชกิจและวิรกรรม ในการสงครามมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือเยโชาฟัต ท, ทรงกำจัดโสเพนิชายในเทวสถานซึ่งยังหลงเหลืออยู่จากสมัยของอาสาราชบิดาให้หมดไปจากแผ่นดินในสมัยนั้นเอโดมไม่มีกษัตริย์ปกครองมีแต่ผู้สำเร็จราชการเยโชาฟัด ท, ทรงสร้างกองเรือพาณิชย์เพื่อไปขนทองคาจากเมืองโอฟี แต่เรือเหล่านั้นไม่ได้ไปเพราะอับปางลงที่เอซิโอนเกเบอร์ครั้งนั้นอาหัสยาโอรสของอาหับได้กล่าวแก่ยเยโฮชาฟัตว่าขอให้คนของเราได้เรือไปกับคนของท่านแต่เยโฮชาฟัตทรงปฏิเสธแล้วเยโฮชาฟัตทรงล่วงรับไปอยู่กับบรรพบรุษและถูกฝังไว้ด้วยกันในเมืองดาวิดและเยโฮรัมโอรสของพระองค์ ขึ้นของราดแทนพี่น้องครับเยโฮชาฟัสนั้นเป็นใครเป็นกษัตริย์ยูดาซึ่งเป็นอิสราเอลทางใต้ครับเยโฮชาฟัทขึ้นของราดในยูดาตรงกับปีที่4ของรัชกาลกษัตริย์อาหับซึ่งเป็นกษัตริย์อิสราเอลฝ่ายเหนือพี่น้องคงจะจำได้นะครับว่าหลังจากที่ซูลมอนนั้ น, น, นได้สิ้นผระชน์แล้วอาณาจักร อิสราเอลนั้นแบ่งเป็น2องาณาจากักรก็คืออาณาจักรฝ่ายเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรฝ่ายใต้ที่เรียกว่ า, Israel, า, ายูดาเยโฮชาฟัสเป็นเป็นกษัตริย์ยูดาครับในขณะที่อาหับเป็นกษัตริย์อิสราเอลฝ่ายเหนือนั่นคือการอ้างอิงการเทียบกันระหว่างอิสราเอลฝ่ายเหนือกับอิสราเอลฝ่ายใต้คือกษัตริย์เทียบกษัตริย์ด้วยกัน ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วขษัตย์เยโฮชาฟัตนั้นเป็นโอรสของขษัตย์อาสาและพระองค์ทรงเริ่มครอบครองในปี873ก่อนคิเท ศ, า ศ, า ศ, าศาักราชครับการปกครองของเยโฮชาฟัตซึ่งเป็นลูกของอาสานั้นเป็นการปกครองที่แปลกประหลาดครับก็คือว่าพ่อกับลูกเนี่ยปกครองร่วมกันอยู่3ปี การปกครองร่วมกันนี้มีสาเหตุมาจากว่าสุขภาพที่อ่อนแอของพ่อครับสุขภาพที่อ่อนแอของกรรษัตริย์อาสานี่แหละครับทำให้การปกครองร่วมกันนานถึง3ปีจกนกระทั่งอาสานั้นเสียชีวิตหรือสิ้นพระชนในปี870ก่อนคศจึงถือว่าเยอชาวฟ้า น, นั้นเริ่มปกครองด้วยตัวเองตามลําพังพระองค์เดียวเหตุการณ์นี้เป็นการเป็นปรากฏการครับที่ปกครองร่วมกันครั้งแรกเลย นับแต่สมัยโซโลมอนเป็นต้นมาและโซโลมอนเองนั้นก็ปกครองร่วมกันกับกษัตริย์ดาวิดครับผู้เป็นบิดาในเวลาสั้นๆเหมือนกันแต่นี่เป็นเวลายาวครับถึง3ปีทีเดียวพระคัมภีร์บันทึกว่ากษัตริย์เยลชาวฟัดนั้นครอบครองหรือปกครองยูดาเป็นเวลานานครับย5่าปี ตั้งแต่ปี873ก่อนคศจนถึงปี848ก่อนคศและท่านเป็นกษัตริย์ที่ดีองหนึ่งในจำนวน8องค์พี่น้องครับกษัตริย์ทางยูดาห์ฝ่ายใต้นี่มีทั้งหมด20องค์นะครับมีดีอยู่จริงๆคือ8องค์บางํำราก็ว่า9องค์แต่พี่น้องครับน่าเสียดายที่อิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นมีกษัตริย์ที่ดี ศูนย์คนครับก็คือไม่มีเลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากและเยโอชาฟัดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในนักปฏิรูปนะครับเหมือนกับอาสาบิดาของตัวเองนั่นเองพี่น้องครับสิ่งที่เยโอชาฟัดทำที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็คือพระองค์ได้รื้อทําลายปูชนียสถานสูงคําว่าปูชนียสถานสูงนั้น คำที่พระคมพีฉบับ1971ใช้แต่ว่าพระคมพีฉบับอามาตะธรรมนั้นใช้คำว่าสถานบูชาบนที่สูงซึ่งหมายถึงการกราบไหว้รูปเคารพและเทวรูปทั้งหลายลเราเห็นว่าสิ่งที่ระบุไว้ในพระคมพีกเกลมหนึ่งคือ 2, สองพงศวดานบทที่17ข้อที่6แได้บันทึกว่าเยโฮชาฟันรือ้อทำลายปูชนียสถานสูง ในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ในวันนี้ในหนึ่งพงศษัตรบุตรที่ยี่บสองข้อที่สี่สิบสาและในพระธรรมสองพงศสวดานเริ่มเดียวกับเบื้องข้างต้นนะครับบทที่ยี่สิบก็ระบุว่าท่านไม่ได้รื้อทาลายพี่น้องครับอะไรเกิดขึ้นครับท่านรือ้อหรือไม่ได้รื้อครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือว่าท่านรื้อทําลายลงจริงแต่ท่านก็ไม่ได้ทําลายอีกเมื่อมีชาวบ้านสร้างขึ้นมาใหม่นี่อาจจะเป็น ความผิดพลาดใหญ่ของกษัตริย์ที่ดีเพราะว่ามีความตั้งใจที่ดีครับแต่ไม่ได้กํากับติดตามไม่ได้ทำลายให้ราบคาบจึงทำให้อิสราเอลฝ่ายใต้ซึ่งเป็นยูดาห์นั้นได้ตกอยู่ภายใต้เชื้อร้ายแห่งการหลอกลวงพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าความดุนแรงร้ายกาศของการกลับไว้ลูกขับรบนั้น มันแทกซึมมาในประชากรของพระเจ้าครับและเมื่อผู้นําไม่สามารถที่จะกำจัดมันอย่างสิ้นซากมันก็จะส่งผลร้ายซึ่งเกิดจากเชื้อร้ายนี่เองครับทําให้ประชากรของพระเจ้านั้นได้แอยเปื้อนและเป็นมนตินนี่คือสิ่งที่น่าสนสนใจและเป็นที่น่าสังเกตได้ว่าในครอบครัวของเราก็เช่นเดียวกันครับเราจะต้องพยายามอย่างยิ่ง ที่จะให้สมาชิกในครอบครัวเรานั้นทุกทุกคนจะได้มีโอกาสกลับใจใหม่มาเชื่อพระเจ้าหาไม่แล้วสิ่งเหล่านี้จะแพร่เข้าไปอยู่ในบรรดาลูกหลานของเราและทําให้ครอบครัวเรานั้นไม่ได้รับความรอดหมดทุกคนนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งสิ่งดีที่กษัตริย์เยโฮชาฟัดทำก็คือว่าตัวพระองค์เองนั้น ได้พึ่งพาพระเจ้าและได้รื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้าการอ่านพระวจนะของพระเจ้าการอ่านพระบัญญัติของโมเสสนะครับทั่วแผ่นดินยูดาห์พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือยูดาห์ให้พ้นจากมือของบรรดาศัตรูที่อยู่ข้างๆรอบๆยูดาห์ครับศัตรูที่อยู่รอบๆยูดาห์นั้นก็มีโมอับมีอัมโมนมีเอโดม พวกนี้ครับเดิมทีนั้นในพระธรรมปฐมกาลเราจะรู้ได้ว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นญาติพี่น้องกับอิสราเอลครับเป็นญาติพี่น้องกับยาโคบญาติพี่น้องกับเอสาวญาติพี่น้องกันพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้ออกจากทางของพระเจ้าในที่สุดนั้นก็เป็นกลับกลายเป็นศัตรูกับลูกของพระเจ้าประชากรของพระองค์ พระกัมพียังกล่าวถึงกษัตริย์เยโอชาฟัตว่าท่านได้กําจัดโสเพณีชายที่ยังหลงเหลืออยู่ให้หมดไปอั น, นเป็นสิ่งดีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เยโอชาฟัตได้ทําโสเพณีชายก็คือพวกรักร่วมเพศที่ทําหน้าที่ขายบริการทางเพศให้กับผู้ที่มาบูชารูปเคารพที่อยู่ที่วิหารของพวกเทวีรูปทั้งหลายนั่นคือสิ่งดีครับที่กษัตริย์เยโอชาฟัต ได้ทำกับประเทศชาติบ้านเมืองของตนแต่พี่น้องครับเป็นที่น่าสนใจครับในข้อที่48จนถึงข้อที่49 2สองข้อนี้ครับเป็นข้อสั้นๆซึ่งถ้าทีแรกเราอ่านแล้วก็จะไม่สนใจว่าเออมันมีอะไรอยู่ที่ตรงนี้แต่เมื่อเราค่อยๆอ่านและได้ค้นคว้าจากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ เราจะพบว่าสองข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญซึ่งผู้เขียนพระธรรมหนึ่งพงศษ์ได้ใส่เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้และบทเรียนก็อยู่ตรงที่ว่าขณะที่เอโดมซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอลเป็นลูกหลานของเอสาวไม่มั่นคงความไม่มั่นคงนั้นก็เลยทำให้เยอชาฟัดหรือประเทศยูดา สามารถส่งกองเรือสินค้าซึ่งอยู่ทางตอนบนของอ่าวอาคาบาก็คือเมืองเอซิโอนเกเบอร์เอซิโอนเกเบอร์ครับเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนบนของอ่าวอาคาบาและเยอชาฟัสนั้นก็ร่วมกับกรรษัตริย์อาหัสยาซึ่งเป็นโอรสของอาหับที่ตายไปแล้วนะครับอาหัสยานั้นเป็นกรรษัตริย์ฝ่ายเหนือครับแผนการเดินเรือครั้งนั้นก็คือการขนทองคําจากเมืองโอฟี ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาหรับเบียจากตรงนี้ครับทำให้เรารู้ว่าการที่เยโฮชาฟัตไปร่วมมือกับอาหัสยาเหมือนกับที่บรรพบุรุษโซโลมอนได้เคยทำมากับประสบความล้มเหลว อ, อย่างชิ่นเชิงเพราะว่าเรืออับปางลงกลางทะเลผู้อัฐิฐาธิบายพระกัมพตีตอนนี้ได้อธิบายบอกว่าพระเจ้านั้น ทรงพิภากษาลงโทษเยโฮชาฟัดโดยให้กองเรือพาณิชย์ของเขาพินาศล่มสลายเนื่องจากการเข้าเป็นพันธมิตรกับอาหัสยาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เลวร้ายแห่งอาณาจักรเหนือพี่น้องครับตรงนี้เองเราจะเห็นบทเรียนมากมายครับเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าการที่การทําพันธมิตรทางด้านการเมืองเพื่อผลประโยชน์ซึ่ง พระเจ้าไม่เห็นด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นบทเรียนในเช้าวันนี้การทำพันธมิตรที่พระเจ้าไม่เห็นด้วยก็จะทำให้เกิดการล่มสลายเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อทำพันธมิตรกับคนที่ชั่วร้ายกับกษัตริย์ที่ไม่ดีก็จะทำให้เกิดการเสียหายเกิดขึ้นหลักฐานในพระวจนะพระเจ้านั้นปรากฏชัดอยู่ในพระธรรมสองพงศษัตร์บทที่20ครับ 2พงพัตษ์บทที่20ข้อที่37ได้กล่าวว่าเอเดียเซอร์บุตรโคโดวาหุแห่งมาเรชาพยากรณ์เกี่ยวกับเยโชาฟัตว่าเพราะท่านผูกมิตรกับอาหาสยาองค์ผู้วิญเจ้าจะทรงทำลายกิจการของท่านแล้วกองเรือก็อับปางตั้งแต่ยังไม่ได้ออกทำการค้าสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งพงศษ์เมื่อเรากลับมาดูในบทที่22 เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆแล้วในที่สุดเยลชาฟัตก็กลับใจใหม่ครับขณะที่อาหัสยาได้กล่าวกับเยลชาฟัตว่าหลังจากที่เรือล่มแล้วครับขอให้คนของเราแล่นเรือไปกับคนของท่านเถิดนั่นคืออาหัสยามาขอครับขอให้คนของเขาแล่นเรือไปกับคนของท่านเถิดแต่ในที่สุดเยลชาฟัตนั้นปฏิเสธพี่น้องครับเราสามารถที่จะกลับใจได้ เหมือนกับกษัตริย์เยโวชาฟัตเมื่อพระเจ้าเตือนเมื่อเรือล่มก่อนที่ออกไปปฏิบัติการนั่นคือการเตือนของพระเจ้าการที่พระเจ้านั้นได้เตือนคนของพระองค์แสดงว่าพระเจ้าทรงรักครับพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้คนของพระเจ้านั้นไปเป็นพันธมิตรกับฝ่ายโลกคนที่ชั่วร้ายเพราะอะไรครับเพราะว่า มันจะนำเชื้อแห่งความชั่วร้ายเข้ามาในประชากรของพระองค์นี่คือบทเรียนในชาวนันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะได้รับบทเรียนทุกๆวันเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าและนำสิ่งต่างที่ได้เรียนรู้นั้นไปประยุกใช้ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายอารมน